ท่านเบญโคลาวาจรทั้งหลายและบรรดาพระภิสุสมณเณรทั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พ า, า, า, ากันสมาทานประกรมมรมฐานสมาทานสิ้นแล้ววันนี้จะได้ศึกษาในเรื่องของอนาคามีผลสำหรับเว็นก่อนได้น้อมนำ อารมณ์ตั้งแต่พระโสดาสิกาคาโดยเฉพาะอย่างยิง่งพระโสดาบันก็ตั้งแต่สตักตองโคลังโกละเอกวิชีและสกิทาคามีมาพูดสําหรับวันนี้จะนําอารมณ์ของพระอนาคามีมาแต่ก่อนที่จะพูดอารมณ์ของพระอนาคามีความจริง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 ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์โสภาคสอนไว้มาแนะนำกันเสียก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญถ้าปฏิบัติไม่ถูกหลักไม่ถูกเกณฑ์ไม่ถู ก, แ, ก, ถกแผนผลแห่งการบรรลุมันก็ไม่มีในวิธีปฏิบัติที่ปฏิบัติได้กันมาจะต้องทำแบบนี้ ไปดูในวิปัสสนายานเก้าขอ้อที่แปดท่าเรียกว่าสังขารเาุเปขายานแต่ว่าขอ้อที่เก้านั้นท่านเรียกว่าสัจ ญ, ญ า, โโานุโลมิกายานคำว่าสัจ ญ, ญ า, โนโานุโลมิกายานเน้นไม่มีญาณเฉพาะสำหรับตนเป็นการปฏิบัติคือคำหนึ่งจิตเพื่อพิจารณาย้อนไปย้อนมา สมมติว่าท่านหลายกําลังเจริญสมาธิจิตเริ่มตั้งแต่ ข, ขั้นมคาธิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรือว่าถือนิมิตในกสินที่เราเคยเจริญนาปานะสติธนุนสติมาก่อนแล้วก็ไปจับพุทธานุสติไปจับธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติยาคานุสติ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 เมื่อจิตมีความสบายถึงที่สุดทรงอารมณ์ถึงที่สุดแล้วก็เคลื่อนไปจับกองที่สองกองที่สามกองที่สี่กองที่ห้าตามลาดับแต่ละกองนั้นกองที่จะเคลื่อนไปให้จิตเข้าถึงจุดสูงสุดตามกรรมฐานกองต้นเสียก่อนเมื่อจับไปตามลาดับถึงที่สุดแล้วจึงค่อยทำต่อกองที่ทำต่อใหม่ ก็ที่ทำต่อใหม่นั้นเราจะใช้เวลาเพียงนิดเดียวอารมณ์ก็จะทรงตัวท่านี้พระว่ากรรมฐานแนสี่สิบกองก็ดีมหาสติปรานแนสนก็ดีมีอารมณ์เหมือนกันเช่นเราทรงสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติถึงฌานสี่หรือว่าฌานหนึ่งด้วยฌานสองด้วยฌาน ส, สามก็ตาม เริ่มต้นเราก็จับอนาปานุสติให้เข้าทรงฌานถึงที่สุดตามที่เราจะพึงทำได้ในวันนั้นเราปล่อยจิตให้ทรงอยู่ให้อารมณ์สบายเมื่อจิตเป็นสุขดีแล้วขยับเข้าไปกองที่สองเลี้วยวยกองที่สามแต่ละกองจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งนาทีอารมณ์ก็่าทรงตัวตามนั้น เป็นอันว่าถ้าทําอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราใช้วิธีสัจจานุโลมิยานอันนี้ลมก็เดินตั้งแต่ต้นเข้าไปถึงปลายบางทีจับตั้ตปลายเข้ามาหาต้นจิดสรงอารมณ์ได้ตามปกติสม่ำเสมอกันทุกจุดอย่างนี้จะมีอารมณ์ไม่เคลื่อนจากสมาธิทุกกองไม่ได้ทำกองนี้ได้ไปกองหน้าทิ้งกองหลังอันนี้ใช้ไม่ได้ เขาต้องเก็บไปทั้งแต่ต้นถ้าหากว่าสมมติว่าทุกท่านทรงกรรมฐานทั้งหมดได้สี่สิบกองเวลาเราจับตัแต่ต้นหนึ่งถึงสี่สิบไม่ต้องใช้เวลาตลอดคืนหรือผมก็อยากขอตอบพเดันสาราบว่าอย่างช้าที่สุดกรรมฐานสี่สิบกองนี้เราจะเรียงตามลำดับให้ทรงชนัน ท, ที่สุดไม่เกินสิบห้านาที แต่ผมว่ามันไม่ถึงนะผมไม่เคยทำถึงนี่เมื่อกองแรกเราคล่องกองอื่นๆมันก็เหมือนกันก็ามาทานสี่สิบกองถ้าจะเปรียบกับเรากินข้าวถ้าเราเคยกินข้าวด้วยมือเขาไม่ให้กินข้าวด้ช้อนมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเคยกินข้าวด้ช้อนถ้าเราีเปลี่ยนมาเป็นช้อนส้อมมันก็ไม่หนัก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 เวลานี้จะพูดกันถึงอน า, อนาคามีแต่ถ้าว่าก่อนที่เราจะใช้อารมณ์จับะอนาคามีในเวลาสัดงงในเวลาไหนก็ตามเราก็ต้องนั่งไล่เบีย้ยมาตั้งแต่ประสูาบานก่อนคำว่าไล่เบีย้ยมันนี่เป็นการสอบสวนอารมณ์จิตของเรา ว่ารมจิตเดิมที่เราไล่เบี้ยมาตั้งแต่พระโสดาบันนี่ยมันทรงตัวแล้วหรือเปล่าถ้าพระโสดากับสกิทาคามียังไม่ทรงตัวเราก็จะเพิ่งไปยุ่งกับอนาคามีผลหรือว่าจะเป็นอนาคามีมักต้องจับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตามขั้นตามระยะ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 ตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าบรรดาพระสมณะอยู่ที่ไหนที่นั่นย่อมเป็นที่สงดัดคือมีพรามถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพร ะ, พระอรหัตรอรยเจ้าทั้หลายต้องการที่สงัดใช่ไหมที่ว่าต้องการอยู่ในป่าชัดต้องการอยู่ในป่าชา้าต้องการอยู่ในเขาจอดต้องต้องการอยู่ในบ้านที่ประสเจ้าผู้คน พร่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนากับทรงตรัสว่ารามณัติโลก่อนพระมพระอริยเจ้าจะอยู่ในปา่าคนดีอยู่บนยอดเขาคนดีอยู่ในถ้าคนดีอยู่ปาา่าช้าคนดีอยู่ป่าชาิดคนดีอยู่บ้านบ้างจากคนบ้านบ้างจากคนคนดีหรือว่าอยู่ในบ้านคนดีอยู่กลางเมืองคนดีอยู่กลางสนามหลวงคนดี พระอริยเจ้าทั้งหมดนี้ย่อมมีอารมณ์สงดไม่ว่าที่ใดสงดหมดเพราะว่าอารมณ์ของทุกท่านสงัดจากกิเลสแล้วนี่เป็นอันว่าคำว่าสถานที่สงดคือเราใช้อารมณ์สงเจะไปนั่งคิดว่าที่นั่นต้องไม่มีเสียงที่นี่ต้องไม่มีเสียงเราคิดเรื่อว่าเวลาที่เราจะตายเนี่ยเราจะหาที่สงดได้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 ว่าโอนหนอเวลานี้เรามีความเส้นใดอะไรบ้างถ้าพ่อเราจะตายแม่เราจะตายเมียเราจะตายผัวเราจะตายลูกเรจะตายเพื่อนเราจะตายตัวเราจะตายของเราต้องสลายไปเรามีความรู้สึกว่าห่วงใ ย, ยจดใดบ้างถ้าปรากฏว่าเมียมยังห่วงอยู่ สมมติวราคิดว่าถ้าเขาจะตายเราจะร้องไห้เราจะเสียใจเราจะมีอารมว่าบวถ้าเราเสียตายจะเราจะตายเราเสียสงสารคนที่อยู่ข้างหลังไม่มีใครเประคับปองไม่มีใครเลี้ยงดูก็เนื้อก็เกื้อหนุนเธอให้มีความสาุขถ้าอารมณ์ยังมีอย่างนี้ก็เสร็จ ต้องใช้อารมณ์จิตใช้ปัญญาต่อว่าจิตว่าเองนี่มันเร็วเกินไปทำไมเองลืมความจริงใชแล้วหรือว่าคนทุกคนสัตว์ทั้งหมดวัตถุธาตุทั้งหมดมันมีอนิจจังเป็นเบื้องตน้นอันดับแรกมันไม่มีความทรงตัวคือไม่เที่ยง แล้วก็มีการสลายตัวเป็นที่สุดทําไมเธอไม่รักษาสัจธรรมอันน้ไว้สัจจานุโลมิกิยานคืออนุโลมถอยหน้าถอยหลังด้วยอริยสัจอริยสัจ ค, คือของจริงที่พระอริยเจ้าทรงไว้จงเตือนใจว่าเจ้าจงอย่าลืมความจริงว่าญาติผู้ใหญ่เขาเมเรามี ถอยหลังก็ไปตามระดับนับถ้าที่สุดไม่ได้แต่ว่าญาติทุกคนของเราท่านไม่มีเวลานี้บางคนมีชื่อแต่ไม่มีตัวแล้วกสว็ส่วนใหญ่ทั้งหมดหายไปทั้งตัวเลยชื่อคือนั่นท่านตายเนื่นเราจะทรงอยู่ได้ยังไงท่านนั้นหลายเ่านั้นเวลาตายท่านห่วงเราลูล่าท่านอาจเจอห่วง ด้วอการห่วงนั้นมีประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้างคุณท่านตายไปแล้วประโยชน์ที่ดีจริงๆตามสัจธรรมแน่ก็คือว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นต้นแต็กกุลของเราแต่แทนก็ตายในเมื่อต้นแต็กูุลตายแล้วก็ไอ้ปลายเระกกุลมันจะทรงยู่ได้ยังไงมันก็ต้องมีสภาวะการตายเหมือนกัน นี่เป็นอย่างนี้คิดให้มันลงตัวแล้วในเมื่อเราจะตายแล้วเรามีอะไรเป็นที่พึ่งพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตัวสมมาสมพระเจ้าคือพระธรรมวินยัยพระวินัยเป็นคำสั่งพระธรรมเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งและก็สอน ให้เราละชั่วประพฤติดีเนี่ยเราทรงตัวได้แล้วหรือยังฝ่าฝืนพระธรรมวิ น, นัยตอนไหนบ้างค้นคว้าในจิตของตัวถอยหน้าถอยหลังนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงสิ่งของเราบริสุทธิ์ฟ้องมูลแล้วหรือยังนี่เรื่องของพระโสดาบันก้าวไปถึงพระสกิทาคามี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 ว่ามีความรู้สึกว่ามีอย่างไงกินอย่างนั้นมีแบบไหนใช่อย่างนั้นการประกอบอาชีพเป็นของปกตทิที่ได้ในเมื่อร่างกายยังมีชีวิตมันก็ต้องหากินหาใช้ได้มากพอใจได้น้อยพอใจแล้วก็คิดก็ว่าของที่ได้มาทั้งมากทั้งน้อยตายแล้วไปไม่ได้เลยจิตมีความสุข โทษษาความโกรธโกรธเขาทําไมเรามันเสือกเกิดเกิดเราม่เสือกเกิดไม่เ้าด่าเสือกเกิดไม่เขานินทาเสือกเกิดไม่เขาใช้เสือกเกิดมาเพื่อความป่วยไข้ไม่สบายเสือกเกิดมาเพื่อความแก่เสือเสือเกิดมาเพื่อความแพ้ละของละของชอบใจเสือเกิดมาเพื่อตาย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 เห็นอะไรเข้าตายหมดเห็นคนคนตายเห็นสัตว์สัตว์ตายเห็นวัตถุธาตุวัตถุธาตุต่างแล้วก็นึกถึงว่าเราจะต้องตายเหมือนกันนี่ต้องถอยหน้าถอยหลังแจกก้าวไปแต่กหน้ า, นาแล้วก็ไม่เหลียวหลังท่านทั้งหลายที่ระ ง, งับความวุ่นวายของจิตไม่ได้นั่นแหละเขาเรียกว่าศีลปฏิปรามาตเป็นผู้รูปคำคำในศีล จิตตปรามาดรูปคำในสมาธิปัญญาปรามาดรูปคำในวิปัสนาญาณทำเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นความวุ่นวายของจิตมีอารมณ์หุนหันพันแล่นชงเฉงโวยวายปราศจาเกเหตุผลคนประเภทนี้ทำกี่สัยกับกโรนรกเพราะสักแต่ว่าปฏิบัติสักแต่ว่าแบบพิ้ ไม่รู้จักที่จะพิจารณาจิตของตัวเองว่ามันดีหนระือมันชั่วนี่ถอยหลังไปถอยหลังมากันแค่นี้นะความจริงเขาถอยกันเป็นปกติย้อนไปย้อนมาสิ่งที่จะละได้แล้วมันละจริงหรือไม่อารมณ์สมาธิติดโซ่ได้แล้วทรงจริงหรือไม่อย่าไปหาที่สงัดเสียงอย่าไปหาที่สงัดความวุ่นวายจงหาความสงัดใจคือใจสงัดจากรเล็ นี่มันถึงจะถูกเวนอนว่าต่อนี้ไปหรือเวลายแปดนาทีก็มันนั่งคุยกันทึงเรื่องความจะเป็นพระอนาคามีไม่อยากไม่เห็นเม้ไดยากกามาชันทะเราเบามาจากพระอนาคาสกิทาคามีแล้วแล้วก็ชานสมาบัติอารมณ์ชาน การที่จก้าวเขาถึงพระสีธาคามีอย่างน้อยกำลังจิตของเราจะต้องต้องโงทรงชานสามหรือว่าดีไม่ดีก็ทรงชานสี่ไม่ยากตอนนี้ไปเราก็มาเอากันจริงจังกามาชันทะความใค่ในรูปสวยนั่งนึกที่ว่ารูปไข่เขามันสวย ที่ว่ารูสวยสวยจริงหรือไม่จริงสะอาด ส, สรือาสกปรกเสียงเพราะเสียงสร้างคนให้ไม่แก่ไม่ตายได้ไหมกลิ่นหอมกลิ่นสร้างความกันความสุดสมกร่างกายกันความตายได้หรือเปล่ารสอร่อยของอาหารอาหารที่บัดดีพิเศษมีวิตามินดีอะไรอย่างน้นก็ดีอันนี่ก็วิเศษที่หมอก็แนะนํา ถ้าไปดูหมอที่แนะนำเราพี่ว่าหมอหน้แก่เป็นไหมหมอป่วยเป็นไหมหมอตายเป็นไหมถ้าหมอมีความรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำแนะนำของหมอหมอก็ต้องไม่แก่หมอก็ต้องไม่ป่วยหมอก็ต้องไม่ตายแต่ตามข่าวที่ทราบมาหมอในประเทศไทยตายไปแล้วนับล้านล้านคน นั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเนะี่ยมันอาจจะดีจริงเพียงแค่ประทางความชีวิตให้ทรงอยู่แปลได้ว่าเปล่าเร่อง ก, กันแก่กันตายเนะี่ยมันไม่ได้ในเมื่ออาหารทุกอย่างไม่สามารถจะยักยั้งให้คนทรงชีวิตอยู่ได้ร่างกายของคนแต่ละคนเต็มไปด้วยความสุขปรก เมื่อนอกจากสุกับกแล้วก็ยังจะหาทางสลายตัวไปในที่สุดเป็นอั น, อนว่ามันสุกับกด้วยมันก็ไม่ใช่เราด้วยถ้าจิตนอ้อมมาอย่างนี้เราสุกับหกเขาสุปรบกแล้วมันมนั่งดูคําว่าเราว่าเขาอยู่ที่ไหนร่างกายนี้เป็นเราหรือว่าร่างกายโน้นเป็นของเขาหรือเป็นอันว่าร่างกายดังสองร่างกายนี้ไม่มีเราไม่มีเขา มันเป็นบ้านเช่าที่แสนจะสกปรกเป็นบ้านเช่าที่จะมีมีแต่วความผูกพังไปตามปกติไม่ช้าเราก็มันก็จากกันแล้วจิตใจของเรานั้นจะไปผูกพันในโลกจีวิสยัยการมราคาปรารถนาความมีคู่ครองซึ่งกันและกันนะั้นมันจะเกิดประโยชน์ตรงไหน คนที่รักจะจะเริ่มรักใครต้องเริ่มรักคนสวยร่ำรักเริ่มรักคนงามมีการเยื้อกายจริยาวาจาดีทุกอย่างได้ตัวดีตัวนั้นมันดีนานไหมไม่นานร่างกายก็สวยไม่นานจริยาวาจารีเขาแต่แล้วกัคนมันก็ไม่ไม่ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนช้อยจริง มันยังมีโมโหโทโสมีความเร็วประจําเยนจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงตัวทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยากก็คือตัณหาอยากได้มาเราก็อยากได้ทุกคราก็ต้องตัดตัดด้วยกําลังของ้อศีลบริสุทธิ์ แต่กำลังข้อรมสมาธิถีอว่าร่างกายของคนและสัตว์สกปรกและมีการสลายตัวไปในที่สุดให้จิตมาทรงตัวแบบนี้ในที่สุดจิตมันก็จะเบื่อเห็นคนเป็นสาสศอันนี้มาได้ความโกรธให้สมัยเป็นพระสกิธาคามีเราโกรธหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้อาภัย มา ด, าด้านเทอนาคามีเทวดาตัดให้มันพังสลายไปซะเลยวิธีตัดทัานยังไงใช้กระสินสีกระสินสีแดงสีเขียวสีแดงสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิง่งเมตต า, าพรหมานนันดีที่สุดเพราะมีอารมณ์เบานางคิดไว้เสมอว่าเรากับเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารถ้าเราจะโกรธคนที่โกรธเราเราก็จะเรวกว่า เ, เขาตามที่พระพุทธเจ้าว่านการโกรธมันทําให้เราหนุนใช่อเปล่าการโกรธทําให้เราสวยใช่ไหมความโกรธทำให้เราอิ่มเอิบใร่ไเปล่าความโกรธทําให้จิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นอนันว่าความโกรธโทสะขี้ไฟตัวโทสะสร้างความร้านร้อนให้กับจิตโกรธโกรธเร็วโกรธง่ายแก่เร็วโกรธบ่อยแก่บ่อยไม่แก่ลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็พังถ้าความโกรธเผาผลาญร่างกายเผาทั้งกายเผาทั้งใจใจก็มีได้ความร้านร้อน เมื่อกรเขาใจรล่าร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ช้าก็โสมไม่ช้าก็ตายแล้วคนที่เราจะโกรธล้วโกรธทาไมอยากจะฆ่าเขาอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่ฆ่าเขาตายไหมเป็นอำนาเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราจะแกล้งเขามีทุกถ้าเราไม่แกล้งเขาเขาจะมีทุกไหมเขาก็มีทุกอยู่แล้วถ้าในทีสุด เขาจะต้องพัดราดจากของรักของชอบใจความปรารถนาจะไม่สมหวังในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราต้องการปัจจัยของความสุขความทษกความโกรธเป็นปัจจัยให้เาสวมบายภูมดังนั้นเราก็ยึดมั่นในพรหมวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ตาความรักเจ้านาความสงสาร เห็ใครเขาโกรธ เ, เราเราก็สงสารก็ไม่เอยไม่น่าอย่างง่เลยเมื่อโกรธเราเข้าก็เขาก็หมดหมดเอ่หมดมิตรที่ดีคือเราไปคนหนึ่งแล้วก็นอกจากเราเพื่อนของเราญาติของเราลูกของเราหลานของเราก็เป็นศัตรูเขาไปด้วยช่วยเขามีความทุกข์ใจมากที่สุด และเรื่องความโกรธเมื่อเขาโกรธมันไม่ดีเราก็ไม่โกรธเขาเช่นเดียวกันเขาจะโกรธมาช่างเขาเราไม่โกรธไปจงัวตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสน์ดานที่นางมังคันดยาจ้างคนดา่าพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธรามาดาทุนาทารักำนันพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธ กินดามานึ่กายแก้งกล่าวหาว่าพระองค์ทําให้เธอท้องพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธพระเทวทัตทำมันตรายพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเพราะว่าพระองค์ไม่โกรธอารมณ์พระองค์จะมีความสุขแล้วก็พระองค์ปฏิพภาณคนที่โกรธพระพุทธเจ้ายิ่งไหวพระพุทธเจ้าโกรธทุกท่านไปเอาเวจีทั้งหมดอรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุขสต ความจริงการศึกษาเข้ามาระดับนี้มันมีมันสบายๆไม่มีอะไรมากเพราะเข้าถึงจุดจะเข้าถึงพรนิพพานอยู่แล้วก็นี่หมดเวลาเพราะวับนบรรดาทัานสาวก ข, ขององค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วทุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านเห็นว่าสบาย กำหนดรู้ ล, ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภ า, าวนาและพิจารณาตามปัตยาสายจิงกวา่าว่าท่านเห็นเมื่อเวลานั่งควรจะเลิกสวัสดี